أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و به نستعين ولا عدوان إلا للظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله ملك الحمد حتى ترضى و لك الحمد إذا رديت و لك الحمد بعد الرضا وأشهد أن لا إله إلا ا أ الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدًا أبده ورسوله أرسله الله ب ا ل ه د ا و د ي ن الحق ل ي ُ س ل ى ّ ديني كله ولو ك ه ا الكافرون. لقد قال ل ه تعالى في كتاب الكريم بعرض بلام شيطان ا ل رجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليل الأش والشفع والوض والليل إذا يسهل في ذ ل ك ق م م ل ذي الحج. ครับพี่น خ องที่รักยิ่งครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับในช่วงของอัถยาที่ หลังจากที่เราได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับในความหมายของ3อายะแรกรวมทั้งอายะที่5ที่เราโดลบค่ามาแล้วครับว่า well, first paulus subhana n ขอสาบานด้วยกับยามรุ al, al il, ่งอรุณว่าละยาลิลอัชแล้วก็ขอสาบานด้วยกับค่ําคืนทั้ง10ซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันไปแล้วว่านักถาที่ใบกุรอานนะมีความเห็นต่างกันว่าตกลง2อายะ3อายะเนี่ยเกี่ยวพันกันไหมหรือว่าคนละส่วนกันคือการสาบานทั้งหมดนั้นของใครของมันหรือว่ามีความเกี่ยวเนื่องกันซึ่ง จะไม่เอามาทวนในที่นี้แล้วนะครับเวิร์ชชั่ปีวันเวิร์สและพวกลอสก็ได้สาบานถึงสิ่งที่เป็นคู่แล้วก็สิ่งที่เป็นคี้ซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันไปแล้วเช่นเดียวกันวันนี้ครับเราจะมาดูถึงการสาบานอันที่4ของพวกลอสอุปหานุวัตไอลาซึ่งในสุรนี่พวกลอสได้สาบานไว้ถึง4อย่างด้วยกันก่อนที่พวกลอสจะเล่าให้เราฟังถึงกับจุดยืนแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นกับกลุ่มชนที่อยู่ก่อนหน้าเรา กลุ่มต่างๆที่พโพลทรงดังเกียรติเขาทั้งหลายทั้งปวงนั้นเกี่ยวข้องกับยามกลางวานยามรุ่งอรุณทั้งสิ้นซึ่งถึงเวลาเดี๋ยวเราคงจะได้คองกันอีกทีนเชาวันครับผมตอนนี้ครับเราอยู่อายะที่สี่ครับวันไลลีอีดายัสอย่างที่เราบอกกันแล้วใช่ไหมครับถ้าพี่น้องเจอคำว่าวาวาเนี่ยแล้วคําที่อยู่หลังวาวเนี่ยลงท้ายด้วยกับซาอีหรือซาอินก็รู้ได้เลยว่าโพลสุบฮาตราทรงสาบานกับสิ่งนั้นวันไลลีแปลว่าโพลขอสาบานด้วยกับยามค่ํำคืน วันไลนี้อีดาเเมื่อยามค่าคืนนั้นได้เข้ามาขอสาบานด้วยกับยามค่าคืนเมื่อมันได้เข้ามาพี่น้องคิดถึงอะไรบ้างครับเมื่อพูดถึงยามค่าคืนอย่างที่เราบอกครับสุร้อนี้เนี่ยอายะที่5พอเราบอกว่าใฟนิกสมุลิิในการสาบานดังกล่าวนั้นมีข้อคิดใดบ้างแก่บรรดาผู้ที่เขามีสติปัญญา หรือในการสถาบาัดังกล่าวนั้นล้วนมีข้อคิดสําหรับผู้ที่ได้ไข้ควรคุณคิดอย่างแท้จริงกลางคืนเมื่อมันได้เข้ามาอยากชวนพี่น้องคิดกันก่อนที่เราจะพูดคุยกันต่อไปนะครับผมพี่น้องคิดถึงอะไรบ้างครับถ้าเกิดพูดถึงกลางคืนเวลาที่มันเข้ามาในแต่ละวันหลายท่านครู้สึกว่าอัลฮัมดีแล้วถ้าตอนกลางคืนมาก็คือแปลว่าฉันได้พักสักทีบางท่านก็บอกไม่ใช่อ่ะตอนกลางคืนมาคือฉันต้องเริ่มทํางานแล้วบางท่านอาจจะบอกว่ากลางคืนมาเนี่ยฉันกลัวแล้ว บางท่านบอกกลางคืนมาเป็นเวลาเหงาคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้โดนคนนั้นหัก อ, อกคนนี้หัก อ, อกมาคิดถึงตอนคิดถึงตอนกลางคืนบางคนก็บอกตอนกลางคืนเป็นเวลาแขนเวลาเครียดมันชอบมีใครมาโพสต์มาเม้นมาอะไรให้ฉันได้เจ็บแสบใจหรือความรู้สึกไม่ดีมันชอบผัวมาตอนกลางคืนบางคนอาจจะบอกตอนกลางคืนมาถึงนี่คือเป็นดเวลาทําความชั่วและไม่เชื่อไปดูครับในที่ใดก็ตามบนโลกใบนี้ครับช่วงเวลากลางคืนจะเป็นช่วงที่สถานที่แห่งความอับอายุทั้งหลายเนี่ยจะเปิด จะให้บริการกันแล้วคนเวลาทาความชั่วมักจะทําตอนกลางคืนเมื่อพูึงตอนกลางคืนครับอาจจะมีอะไรร้อย8 9ที่ว่าเข้ามาในหัวเราถ้าเกิดเราคิดแต่ถ้าในมุมมองของผู้ศรัทธาเราคิดถึงอะไรบ้างวันไลลีอีเดอร์สและขอสบาบนต่อยามกลางคืนเมื่อมันได้เข้ามาปกคุมหนึ่งใ น, นสิ่งแรกๆครับที่อุมซิมพวกเราน่าจะคิดกันครับว่าจไลลดบาะนนฮาระมาอาช ที่โพลสุภาณหัวตาได้กล่าวไว้ครับว่าเรานั้นได้ทําให้ยามกลางคืนนั้นลีบาสะเป็นอาพรสุภาณเราเล่าเป็นคําพูดจริงดงามมากโพลได้กล่าวว่าไงนะครับโพลเด้ทําให้ในวันวันหนึ่งเนี่ยโพลแบ่งให้มีวันที่เป็นกลางวันวกับช่วงเวลาที่เป็นกลางคืนในแต่ละวันเพื่อให้เรารู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมีขั้นใช่ไหมครับถ้าเกิดพี่น้องจินตนาการดูว่าถากว่ามีแต่กลางวันอย่างเดียวกับกลางคืนอย่างเดียวชีวิตไม่มีขั้น เมื่อไรจะได้พักความเหน็ดเหนื่อยบางทีมันจะสะสมบางทีมันจะล้าไปเรื่อยๆแต่พอมีการแบ่งขั้นแบ่งขั้นแบ่งขั้นเมื่อเรโดยอัตโนมัติก็จะรู้เลยว่าชีวิตจะแบ่งเป็นในแต่ละวันอาแต่ละวันเริ่มทําอะไรจบด้วยกับอะไรพอวันไหนปุ๊บอ่เริ่มด้วยกับอะไรจบด้วยกับอะไรมันทําให้ชีวิตเราสบายขึ้นแล้วล้อบอกว่าพยายามค่ําคืนพวงล้อให้เป็นอาพรสุภาณล้อครับการปกคลุมของการคืนพวงล้อเปรียบเทียบใช้คําว่าเหมือนอาพรที่มา ปกคุมเราเหมือนอาพรที่มาสวมใส่ให้กับเราเป็นการผ่อนคลายเป็นการป้องการเป็นการปกป้องเป็นอะไรหลายๆอย่างอย่างที่เราทราบครับร่างกายที่ทํางานมาทั้งวันเนี่ยต้องมีการซ่อมแซมส่วนที่สึกคลอต้องมีการพัฒนาต้องมีการฟื้นฟูต้องมีการปรับปรุงต้องมีการต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆก็ด้วยกับการนอนหลับเพราะเราก็บอกยามค่ําคืนนี่ยพะเรากให้เป็นอาพรนะให้พวกเจ้าได้พักผ่อนให้พวกเจ้าได้เลือกใช้ในสิ่งที่มันจะเป็นอาพรให้กับพวกเจ้าอย่างแท้จริง ในขณะที่วัจจานันนะฮะเรามาอาชาในขณะที่ตอนกลารวันพวราบอกว่าพวเราให้ใช้สําหรับการดําเนินชีวิตแปลว่าชีวิตของคนโดยปกติโดยปกตินะครับมันก็จะมีอาชีพที่เป็นข้อยกเว้นนะครับอย่างเรารพอๆหรือว่าอย่างอะไรที่ว่าอาจจะบางทีเว้นมันควบผุดไม่ได้หรือพี่น้องบางท่านอยากจะทงานร้าสะดวกซื้ออะไรที่เว้บางทีต้องมีการดึกแต่โดยตามธรรมชาติแนละ้วพวราบอกนี่คือธรรมชาติที่พวกเราสร้างสร้างมาให้กับมนุษย์ทุกคน ยามกลางวันนั้นเอาไว้ทํางานเอาไว้ศึกษาเอาไว้ที่มันเป็นการับกระทำอะไรที่มันกระฉับกระเฉงครับพี่น้องส่วนยามกลางคืนก็เป็นอะไรที่มันสบายๆเอาทําอะไรให้เป็นเรื่องของการผา่อนคลายเรื่องของการพักผ่อนเมื่อพูดถึงอายะนี้ครับการมาของยามค่ำคืนเนี่ยเราผ่านมาหลายซูร้อแล้วเราผ่านกันมาหลายซูร้อแล้วใช่ไหมครับเราไล่มาแต่อันนสัสมาที่พูดถึงยามค่ำคืนมัเนเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเนื้อหาในส่วนที่พูดไปแล้วผมจะไม่ขอเอามาซ้ํา แต่ผมจะขอเชวนเปิดประเด็นใหม่ที่เรายังไม่ได้คุยกันในเรื่องเกี่ยวกับการมาของยามกลางคืน mm hmm. เมื่อพูดถึงการมาของยามกลางคืนนะครับมีประเด็นอยู่สามประเด็นที่อยากจะชวนพี่น้องคิดก่อนที่เราจะคุยกันประเด็นแรกก็คือกลางคืนเนี่ยเริ่มเมื่อไหร่กลางคืนเนี่ยเราเริ่มนับเมื่อไหร่อันนี้คือประเด็นแรกพี่น้องถ้ามีคําตอบลองตอบในใจก่อนหรือถ้าเกิดใครอยากจะชวนอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพิมพ์คุยมาได้นะครับผมสําหรับพี่น้องที่ดูไลฟ์ะนะครับผม ประเด็นแรกครับกลางคืนเนี่ยเริ่มมาเมื่อไรเริ่มเมื่อไหรแล้วก็ประเด็นที่สองในยามกลางคืนเนี่ยมีอะไรที่เป็นพิเศษจากกลางวันบ้างมีอะไรที่เป็นพิเศษจากกลางวันบ้างประเด็นที่สองขอแยกเป็นว่ามีอะไรที่พิเศษจากกลางวันบ้างที่เราต้องระวังและประเด็นที่สอะไรที่พิเศษกว่าตอนกลางวันที่เราต้องขวนขวายให้ได้ เมื่อพูดถึงตอนกลางคืนนะครับินชาวลล้อครั้งนี้เราจะคุยกัน3าประเด็นประเด็นแรกเมื่อไหรที่เรียกว่ากลางคืนกลางคืนเนี่ยนับเมื่อไรอันที่สองอะไรบ้างที่มาตอนกลางคืนที่เราต้องระวังอันที่สามอะไรบ้างที่มาตอนกลางคืนซึ่งเราต้องขนขวายโอกาสไว้ให้ได้ครับผมพี่น้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะครับพิมพ์ได้ไม่ต้องห่วงครับผมถ้าท่านใดบอกว่าพิมพ์แต่ไม่อยากให้อาจารย์ออกชื่อพี่น้องก็วงเล็บมานิดนึงไม่ต้องออกชื่อครับผมก็มจะไม่ต้องอ่านออกชื่อนะครับผม คุณฮัลสลามานะครับวลุลลามาลวัตุลลอฮฺวะบารอกาตุนะครับผมเห็นโลโ้กโ็บ่อยๆนะครับผมมีโอกาสน่าจะได้ไปลองชิมเข้าใจว่าน่าจะเปิดร้านเบเกอรี่หรือเปล่าครับผมคุณสบายสลามาวาลุลามาุุลลอฮวะบารกาตุแล้วก็คุณนะอเดานะครับก็วุลามตลลอฮวะบรกาตุนะครับผม ก่คิดถึงพี่น้องหลายท่านนะครับที่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพที่ว่าจจะไม่ได้มาร่วมกันาทางไลฟ์นะครับก็ให้รู้ก็บางท่านอาจจะมารับชมทีหลังนะครับผมก็ขอละเมิตาพวกเราทุกคนให้พวกเรามีสุขภาพประมาที่แข็งแรงแล้วก็ให้เราผ่านพ้นบททดสอบของพระองค์ลอสวาหนึ่งวัตลาไปได้พี่น้องอย่าลืมนะขอชวนนักเรื่องนิดนึงมุสลิมเราเนี่ยรอวันสบายตอนตายก็พอละตั้งโฟกัสตั้งเป้าไว้เลยฉันรอวันที่ฉันจะสบายที่สุดตอนฉันตายแล้ว เพราะนั้นตอนนี้ก็เหนื่อยไปก่อนเถอะพี่น้องรับบททดสอบให้เต็มที่เถิดเพราะว่าการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่นั้นมันจะมากับบททดสอบที่มันใหญ่ยิ่งเช่นเดียวกันนะครับผมรอไปสบายทีเดียวครับใครที่โดนทดสอบอะไรก็ตามชีวิตมันต้องโดนทดสอบแต่เราไม่เหมือนกับผู้ไปเสียศรัทธาเพราะกข่าวในกุฎานว่าไงครับพวกเขาเจ็บปวดเหมือนกับที่พวกเจ้าก็เจ็บปวดถูกไหมครับคุณจะศรัทธาต่อหรคุณจะไม่ศรัทธาแน่หรอถ้าคุณอยู่ในรุญญ่นยาคุณต้องมีความเจ็บปวด แต่สิ่งที่ทําให้เราแตกต่างกับผู้ไปเสียศรัทธาก็คือวัดตะจูนเรา ล, ล้อมาลายจูนเราหวังจากเอาล้อในสิ่งที่พวกเขาไม่หวังเพราะฉะนั้นต่างกันเยอะเลยต่างกันลิปเลยครับผมผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อล้อเขาเหนื่อยเขาเจ็บปวดเขาทารมานจบแค่ดุนยาสาหรับมุสลิมเราเหนื่อยเจ็บปวดทรมานในดุนยาพวกเราจะตอบแทนในวันเกียร์มะแล้วเราจะได้อยู่ในนั้นตลอดกาลท้อเหนื่อยกันนิดนึงครับอ่างี้เรามาคุยกันต่อ ว่าจะอ่านในลาลีบาซาในในสลักฟัสเนี่ยครับว่าไลลิดายัสแล้วยามค่ําคืนที่ได้มาถึงยามค่ําคืนเนี่ยเริ่มนับเมื่อไหร่พี่น้องบางท่านก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผมเต่ามาเป็นประเด็นด้วยก็ยามค่ําคืนก็ยามค่าคืนไง น, นับหลังจากมักคิรไปแล้วไม่ใช่เหรอคาตอบก็คืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะที่พี่น้องคิดอาจจะไม่ใช่ก็ได้ไม่ใช่ในความหมายไหนครับคือแน่นอเนเลยามกลางคืนเนี่ยชัดๆเนี่ยเริ่มขึ้นหลังจากเข้าเวลามักคิร เพียงแต่ว่าตั้งแต่ก่อนมัคริบก็ถูกนับว่าเป็นช่วงของกลางคืนแล้วช่วงที่ว่ามันโพเพช่วงที่เรารู้สึกเครียดช่วงที่คนซึมเศร้ามากที่สุดช่วงที่คนอยากฆ่าตัวตายนั่นแหละครับพี่น้องพี่น้องสังเกตไหมช่วงที่ดวงที่กำลังตกดินน่ะมักเป็นช่วงที่ความคิดหดหูติดลบอะไรมันมาเยอะแยะไปหมดช่วงนั้นเนี่ยก็ถูกนับว่าเป็นช่วงกลางคืนแล้วพี่น้องอาจจะบอกอาจารย์อามาจากไหนอ่ะเราคุยกันทีละประเด็น ประการแรกครับที่พยายามการคืนชัดๆเนี่ยเริ่มขึ้นเมื่อเข้าเวลามั ก, กริบเนี่ยอายักขระชัดเจนในเรื่องการถือสิณอดที่ว่าเ่าบกว่าไงครับซุมะอติมุสเซียามาเอลเลตหลังจากนั้นเขาก็จงถือสิณอดไปจนถึงตอนกลางคืนซึ่งเป็นที่รู้กันว่าคนถือสิณอดเราจะถือสิณอดจนถึงเข้าเวลามั ก, กริปถูกไหมครับซึ่งพเพื่อเขาเรียกว่าไงครับอันไล่ตอนกลางคืนก็แปลว่ากลางคืนชัดๆเนี่ยเข้าเวลามั ก, กริบ ป, ปุ๊บอ่านี่แหละคือ กลางคืนชัดๆแล้วคนที่ถือสิด์ดมากก็กินข้าวได้ละทานอาหารได้แล้วและสิลด์เตรียมตัวละหมัดมั ก, กริบแต่ทีนี้ครับทำไมผมถึงบอกว่าก่อนมักกริบสักหน่อยนึงเนี่ยก็นับว่าเป็นตอนกลางคืนแล้วมาดูฮะดิษสีละบทครับผมเริ่มจากบทแรกก่อนอยู่ในบันทึกขอยมามบุคคลีแล้วก็มามมุสลิมมุตตฟกุอลอะไรที ت َ ن َ ا ب ُ ه ْ ر َ ر َ أ ََ ا ن َ ن َ ب ِ ي م ُ ح َ م َ د ر َ ا ل ل ه ص ل ى اللَّهُ عَلَيْهِ و َ س ل م ب ْ و َ ة ٍ ا َ ه َ و َ ى يَتَعَاقَبُنَ فِي كُمْ مَلَائِكَةٌ ب ِ ل َ ي ل وَمَلَائِكَةٌ بِنَهَارٍ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاتِ الصُّبْحِ وَصَلَاتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرِضُ الَّذِي نَبَاتُوا فِي كُمْ فَيَسْأَلُهُمُ ا ل ل َّ ه ท่านอบดุลฮัมมัดสลาร์ฮ์ฮุยซัมได้บอกไว้ครับว่าจะมีมาลิก้าที่คอยดูแลแล้วก็ฟะคอยตรวจสอบพวกคุณเนี่ยจะมีอยู่สองกลุ่มมาลิก้ายามค่ําคืนกับมาลิก้าในช่วงยามกลางวันท่านอบดหมัดบอกว่าไงนะครับจะมีมาลิกา้ามาลิก้าเป็นพู้หูพจน์นะครับแปลว่าหลายท่านนะครับผมมีมาลิก้าที่มาทําหน้าที่ดูแลพวกเราอะ่ะไม่ใช่ดูแลเดียวดูแลก็คือปกป้องคุ้มครองแล้วก็ตรวจสอบด้วย ตรวจสอบว่าเราทำผิดทำถูกทำอะไรอะไรยังไงบ้างท่านอบีบอกจะมีมาริการ์ที่มาดูแลพวกเราเนี่ยอยู่2กลุ่มในวันหนึ่งมี2กลุ่มมาริกะร์ที่ดูแลในกะกลางคืนกับกะกลางวันครับผมแปลเป็นกะแล้วกันมาริการ์กะกลางคืนกับมาริการ์กะกล า, างวันซึ่งท่านอบีมูฮัมหมัดสโลโลฮิสระบอกว่ามาริการ์ทั้งสองกะเนี่ยจะได้มาเจอกันในตอนละหมาดซุปกับตอนละหมาดอั ส, สลีไม่ใช่ละหมาดมะกริบนะพี่น้อง มร์กาสองกลุ่มนี้จะได้มาเจอกันตอนละหมัดซุปกับละหมัดฟัสจรีแปลว่าไงครับพอละหมัดอซุปกลุ่มที่ว่ามาดูแลเนี่ยตั้งแต่เช้าเนี่ยตั้งแต่กลางคืนนะครับก็จะมาเจอเมร์กาอีกกลุ่มนึ่งที่เพิ่งมาที่จะมาตอนเช้าทั้งคู่ก็มาเจอกันก็แลกกะกันกะที่ดูแลกลางคืนก็ขึ้นไปอาโป้ลัสสูบานตลากะกลางวันก็ดูแลต่อแล้วกะกลางวันก็ดูแลจนถึงเวลาอัสรีพอดูแลถึงอัสรีปุ๊บกะกลางคืนก็จะมาในช่วงอัสรี <c oughs> ก็จะมาเจอกะกลางวันนะครับในช่วงเวลาอัสลีมาริค้าที่อยู่กะกลางวันก็จะกลับไปหาพวากเรามาริค้าที่อยู่กะกลางคืนก็จะอยู่กับเราตั้งแต่หลังอัสลีเพราะนั้นประเด็นอยู่ตรงนี้ครับประเด็นไปว่าไงครับขอบคุครับผมใ <c oughs> <c oughs> นะดิษเนเธอร์บีบอกว่ามาริคาทั้งสองกะจะมาเจอกันที่ละหมัดซุปกับละหมัดอัส ซุมมายาหรือจูลรีนแบตูฟีกลุ่มซึ่งตอนที่มาเจอกันนะครับมาริการ์ที่อยู่กับเราจนหมดเวลาของท่านแล้วเนี่ยยาอรูจูก็จะเมียรอดเมยรอดขึ้นไปก็คือก็จะขึ้นไปพวกวล็อตสุพานอาลรแล้วพวกล็อกก็จะถามมาริการ์กลุ่มนั้นที่ดูแลเราอยู่ซึ่งแน่นอนพวกล็อกรู้ดีอยู่แล้วพวกล็อกจะถามว่าไงครับพวกล็อกจะถามว่าพวกคุณเนี่ยตอนที่จากบ่าวชั้นมาเนี่ย คุณจากบ่าวฉันมาในสภาพไหนเลยพวกเรารู้ดีอยู่แล้วแต่พวกเราก็จะถามมารลก้กลุ่มนั้นถ้าเป็นบ่าวที่เป็นผู้ศรัทธามริกาจะตอบว่าไงครับตอนที่เราไปเจอเขาเนี่ยเขาก็ทำการละหมาดแล้วตอนที่เราจากเขาเขาก็กาลังละหมาดละหมาดซุปกับละหมาดอัลซีเป็นสองเวลาซึ่งสำคัญมากๆเช่นเดียวกันกับทั้ง5้าเวลาคือมุสลิมเราต้องละหมาดทั้งห้าเวลา แต่ขอให้เรารู้ว่าเวลาซุปกับเวลาอัสลีเนี่ยมีความประเสริฐเสริมขึ้นมาก็คือมรารีแกจะเอาเรื่องของเราเนี่ยไปรายงานกับพวกอลอสซูบานฮวงวัอาลาเพราะนั้นใครไม่ลุกมาะหมัดซุปจะเป็นไงครับพอไปหาพอมาราาาิแกไปหาลอปุ๊บเราจากเข้ามานี่เขายังนอนกลนขอบฟี่อยู่เลยเขาไม่ได้ลุกระหมัดเพื่อปองหรือคนไม่ได้หมัดอัสลีแล้วจากเขามานี่คือเขายังหลงอยู่กับดุนยาเขายังยุ่งกับอะไรอยู่พี่น้องอยากให้มรารีแกเอาเรื่องเราประเภทไหนล่ะไปคุยกับอลออยาก ได้รายงานข่าวประเภทไหนล่ะบาติเราดูข่าวแล้วจะมีรายงานข่าวคนนั้นทํานี้คนนี้ทําอย่างนี้อ่ะบางทีคนใหญ่คนโตอ่านนายกไปตรงนั้นประธานทิบดีมาตรงนี้อ่ะพระราชาประเทศนั้นเสด็จมาตรงนี้ครับก็จะมีการรายงานข่าวใช่ไหมครับผมแต่พี่น้องคิดดูคราว่าการรายงานข่าวเนี่ยมีเกิดขึ้นทุกวันวั น, วนละสองเวลาแล้วคนที่เป็นหัวข้อข่าวสําคัญคือตัวเราเองอ่ัพี่น้องรายงานข่าวของเรา ถ้าผมก็อินญยาชใช่ไหมก็รายงานข่าวว่าดิอินยาชถึงเวลาไมกะไปหาผู้รอดสุบฮาโนวาตาล้วผราดก็ะถามไปไงแหละที่อินยาชมายัางไงมั่งหลับหรือว่าละหมาดหรือว่าอะไรเราอยากให้รายงานข่าวของเราเป็นอย่างไรพี่น้องก็ ก, ก็ทําตามสบายพี่น้องได้แล้นะใครทําแบบไหนก็จะได้แบบนั้นแต่ประเด็นก็คือฮาริสวันนี้จะไม่เคยมาบุคบคลีดในหมุสลิมซึ่งไมกะตอนกลางคืนเนี่ยจะเริกงานกาของท่านตั้งแต่หลังอัสดี ตั้งแต่หลังอัสลีเพราะนั้นั้นมันจึงเป็นประเด็นว่างั้นหลังอัสลีก็เริ่มถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการคืนแล้วได้ใช่ไหมแน่นอนไม่ใช่ฮุกลกลมถือเสดนะครับฮุกกมถือสสดชัดเจนคือต้องถึงมัคกริบแต่คําว่าการคืนเนี่ยนับตั้งแต่ก่อนมัคกริบแล้วทําไมถึงพูดอย่างนี้ครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับฮะดิษที่สําคัญที่เรากำลังจะมาพูดหลังจากนี้ครับผมทําไมผมถึงต้องพูดประเด็นนี้นะครับผม คืนเอกานันนะครับสวัสสลามมาจากพัยาวันัรสลามอับดุลลอฮ์อบบะระกาตูนะครับคุณฮะจัสลามให้ผมตอบไปอย่างผมเบื่อครับวนัคาสลามอับดุลลอฮ์บบะระกาตูคุณสดใยจากทุ่งคูอลัลฮัมดิลลสขอบคุณ้องมากสาหรับกาลังใจจสาสจักุมลอคัแล้วก็ท่านที่สลา ม, มาที่ผมเห็นข้อความก็วนัคารสลามอับดุลลอฮ์บบะระกาตูพี่น้องเรามาคุยกันโอเคประเด็นเราคุยกันแล้วว่าตอนกลางคืนนับตั้งแต่เมื่อไรถ้าเป็นกลางคืนที่ใช้ในการละสิ่อดหรือกลางคืนแบบเป แต่ก่อนมั ก, กรีบเนี่ยก็จะถูกนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการคืนเรียบร้อยแล้วก็คือช่วงโพเพช่วงสนธยาช่วงอะไรก็ตามแต่นะครับผมเพราะอะไรครับเรามาดูในบันทึกครับของอิหมัมซูยตีครับประเด็นที่สองที่ผมบอกเรารู้แล้วว่ากลางคืนเริ่มเมื่อไหร่กลางคืนมีอะไรบ้างที่มุสลิมจะต้องระวังไม่ใช่มนุษย์ทั่วไปนะครับเราเน้นที่มุสลิมครับผมกลางคืนมีอะไรบ้างที่มุสลิมจะต้องระวัง h a ดี s นี้ท่านนบีมฮัมมัดสลาระสุลลัมรวบรวมไว้แทบจะทั้งหมดเลยว่าตอนกลางคืนมุสลิมต้องระวังอะไรบ้างเราต้องทำอะไรบ้างเราต้องปลอดภัยไวก่อนนะพี่น้องต้องป้องกันอะไรบ้างท่านนบีมฮัมหมัดสลาระของอิสลมได้กล่าวไว้ในพิชคอยม์ของอิมามซูบีนะครับว่าอิดาการะุนฮุลไลลีฟกุฟูซิบยาักุมฟะอินชาตีน่ตันต์ชิรุฮีน่อีดินเมือม่อเมื่อเสร็ ส่วนของการคืนเนี่ยมันได้มาหาพวกคุณเซี่ยวของกลางคืนได้มาหาจุนปีกของกลางคืนส่วนหนึ่งของการคืนก็คือตั้งแต่ช่วงหลังมัก ห, หลังอัสลี่พี่น้องช่วงที่แบบว่าเริ่มจะโพลเพน่ฝกูฟูซิบยานุกุมจงกักตัวลูกหลานเด็กๆของพวกคุณเอาไว้ให้ดีสุภานา ล, ล่ะทำไมเรย ฝ่ายอินนัชายาตีนี่ยแต่จะรู้ให้ในดินเพราะว่าชัยตอนเนี่ยจะออกมาอารอาวาสในช่วงนั้นพี่น้องบันไดบอกอาจารย์ชัยตอนมันทํางานทุกเวลาไม่ใช่เหรอถูกต้องครับผมเพียงแต่ว่าช่วงกลางคืนเนี่ยจะเป็นช่วงที่พวกล้อให้มันมีอิสระมากเป็นพิเศษพี่น้องอย่าลืมเคราว่าชัยตอนเนี่ยมันอยากทําความชั่วทุกอย่างเท่า ท, ที่เป็นไปได้มันอยากทําร้ายเราทุกอย่างเท่าที่เป็นไปได้แต่มันไม่สามารถทําได้นอกจากในส่วนที่พวกล้อทรงประสงค์เท่านั้น คือชัยตอนไม่ได้มีอำนาจเหนือลอสเลยชัยตอนนั้นก็มีอำนาจอยู่ภายใต้การกำหนดของพวกลอสซูบานูวาตาแล้วเพราะนั้นหลายๆอย่างมันอยากจะทำร้ายเราแต่มันทำไม่ได้เพราะพวกลอสไม่ให้มันทำร้ายบางอย่างมันอาจจะทำได้เพราะเป็นข้อตกลงที่ลอสตกลงกับมันไว้แล้วว่าจะให้มันทำได้เช่นหลอกให้เราคิดสิ่งที่ชั่วร้ายให้เราพยายามชักจูงให้เราเป็นคนชั่วเนี่ยอันนี้มันอาจจะทำได้ตลอดแต่ทำร้ายที่มากกว่านั้นเน่ย พี่น้องเคยได้ยินใช่ไหมครับไม่เป็นคำพูดเรื่องผีลักซ่อนที่เป็นความเชื่อที่มีแท้แตทุกประเภทนะครับที่ว่าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า split away ใช่ไหมครับผีลักซ่อนคือจะมีความเชื่อพี่น้องดูปราชสักในอดีตของญี่ปุ่นก็มีพูดถึงของไทยก็มีของขอินเดียมีหลายที่พูดเหมือนกันก็คือช่วงโพเพมักจะเป็นช่วงที่เด็กน่ยหายตัวแล้วบางทีไม่รู้ว่าหายไปไหนโพเพจนถึงกลางคืนซึ่งได้เกิดว่าเป็นความเชื่อของไทยก็จะเป็นว่าโดนผีพาไปอยู่ด้วยหรือว่าอะไรก็ตามแต่ สิ่งเราเนี่ยมีจริงครับสิ่งเหล่านี้มีจริงแต่แน่นอนผีนะไม่มีจริงแต่สิ่งที่ทําพฤติกรรมเงี้ยคือใช้ตอนสิ่งถูกสร้างที่เป็นบ่าว ข, ของล้อเช่นเดียวกับพวกเราพวงล้อให้มันจะเริ่มมีความสามารถมากขึ้นในตอนกลางคืนมันจะชักชวนให้คนทําความชั่วได้มากขึ้นเป็อย่างที่บอกครับควรจะทําความชั่วง่ายขึ้นตอนกลางคืนโดยเพราะถ้าเกิดเป็นหนุ่มสาวนะยิ่งดึกๆึเนะี่ยยิ่งเป็นช่วงที่ว่าโอกาสที่จะพลาดทั้งกมจีนาเนี่ยยิ่งสูง บรรยากาศมันพาไปครับผมงั้นท่านนบีมุสลิมบอกประการแรกครับผู้ที่จะมาเยือนเราที่เราต้องระวังในยามกลางคืนเลยก็คือชายตอนครับแล้วมันจะออกมาแบบอาราวาดด้วยนะมันจะบุกเข้าบ้านใครได้มันก็จะเข้าอย่างที่พวกเรารู้ครับท่านนบีมุสลิมบอกไว้นะครับว่าก่อนที่เราจะเข้าบ้านเนี่ยถ้าเรากล่าวบิสมิลลาห์ก่อนเข้าบ้านชายตอนเข้าบ้านไม่ได้ถ้าใครไม่ได้กล่าวชายตอนเข้ามากับเขาด้วยชายตอนก็จะบอกว่าวันนี้เรามีถี่นอนแล้ว ถ้าจะกินข้าวลืมกล่าวบิสมิลลาชัยตอนก็จบอกว่าเรามีทั้งที่นอนเรามีทั้งอาหารไปนั้นก่อนเข้าบ้านพูดบิสมิลลาก่อนกินข้าวพูดบิสมิลลาแต่ในตอนกลางคืนชัยตอนจะยิ่งอาราวาดยิ่งกว่านั้นครับผมชัยตอนจะยิ่งอาราวาดยิ่งกว่านั้นเอามาจากไหนครับฮะดิษส่วนนี้แหละครับที่พี่ให้นบีมุสลิมได้พูดต่อไว้อีกครั้งหนึ่งเรากำลังพูดว่าตอนกลางคืนต้องระวังอะไรบ้าง อันแรกท่านอาบีบอกว่าไงครับถ้าเริ่มกลางคืนเริ่มที่จะมาแล้วก็คือเริ่มโพเพยแล้วก่อนจะมักกิบแล้วเนี่ยให้เก็บตัวเด็กให้ดีใครที่เอาลูกเล็กติดแจงออกไปเล่นนอกบ้านเลยลูกอยู่นอกบ้านนะครับให้ดีมเขาเรียกเขาบอกลูกช่วงใกล้จะมักกิบแล้วลูกเข้ามาที่บ้านก่อนเราละหมัดมักกิบให้เสร็จเดี๋ยวถ้าจะเล่นต่อโอเคเดี๋ยวค่อยเล่นอันนี้คือคําสั่งแก่ท่านอาบีมูฮัมมัดสโลลฮุอะเลวิสลัมซึ่งมันเป็นอินมุลเรฟเรื่องเล่นลับซึ่ง ให้ตายไงเราก็ไม่สามารถพิสูจน์ตามกระบวนการวิทยาศาสต ร, ร์ได้อันนี้เรียกว่าเรื่องเล่นลับซึ่งผู้ศรัทธาเราเชื่อมั่นในเรื่องเล่ลับทุกอย่างที่มาจากอัลละฮ์แล้วมาจากนาบีเท่านั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ามีใครเอาเรื่องเล่นลับมาบอกเราว่าเนรู้ไหมอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้มันอย่างงี้ตอนนั้นมันอย่างงั้อันนั้นมันอย่างนี้ถ้าไม่ได้มาจากอัลลอฮ์ไม่ได้จากนาบีไม่ต้องเชื่อเขาเพราะเรื่องเล่นลับทุกอย่างแล้วถือว่าถ้าพิสูจน์ไม่ได้มันเป็นเรื่องไร้สาระแต่ถ้าาอบก ต่อให้เราพิสูจน์ไม่ได้เราเชื่อทันทีเพราะเราเชื่ออัลลอฮ์และถ้าท่านอับดุลเบีม๋มอัลสลามบอกเราก็เชื่อมั่นว่าพ่ออัลลอฮ์บอกท่านอีกกี่นึงเพราะนั้นหลักศรัทธาของมุสลิมในเรื่องเล่นลับที่พิสูจน์ไม่ได้เราจะเชื่อเฉพาะสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์และเราศูนย์เท่านั้นเท่านั้นจําให้ขึ้นใจนะพี่น้องในเรื่องของเรื่องเล่นลับกลับมาที่ฮะดีษครับ ไฟดาดะฮ์บาสะอะตุมินะไลลีหมท่านนบีมูฮัมมัดสลลาะฮิสลามบอกว่าถ้าเกิดว่าตอนกลางคืนเริ่มเข้ามาแล้วช่วงหนึ่งเนี่ยก็ค่อยปล่อยเด็กสาในที่นี้ไม่ได้แปลว่าหนึ่งชั่วโมงนะครับพี่น้องสะในในสมัยก่อนนะแปลว่าช่วงเวลาหนึง่งเ อ, า, อาง่ายๆก็คือพอเริ่มที่จะแบบว่าหลังอสัสซีแล้วมันเริ่มโพเพยะแสงเริ่มสลัวสลัวพี่น้องถ้าลูกเล็กเด็กแดงไม่ได้อยู่กับเราให้เขามาอยู่กับเราก่อนหรือให้เขาอยู่ใน ยังไงก็ได้ที่แบบว่าไม่ได้ออกไปทะเทะลทรายอยู่ข้างนอกอยู่กลางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยแลครับเขาอาจจะเรียนพิเศษก็อยู่ในที่เรียนพิเศษแต่ว่าอยู่อะไรอยู่กับใครอยู่กับคนทั่วไปก็ให้อยู่ไปแต่ระวังอย่าให้เขาอยู่ตามลําพังในช่วงเวลานี้แต่ถ้าผ่านไปแล้วอ่าพอเข้าช่วงมกริบแล้วพอกลางคืนเข้ามาแล้วสักช่วงหนึ่งแล้วก็ปล่อยเขาตามสบายครับผม ท่านลบีกล่าวต่อครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือวาอาริคูอัลอาบบาวัซฟูรุสมัลละแล้วก็จงปิดประตูแล้วก็ให้กล่าวนามของพระองค์ละเป็นคําสอนของอิสลามสุบานละข้ามมาปิดประตูข้ามมาให้ปิดประตูแล้วก็ให้กล่าวบิสมิลลาด้วยเป็นหน้ที่ส่งเสริมให้กระทํากันนะครับทําไมให้ปิดประตูครับท่านลบีบอกเหตุผลครับ ไฟอินนอชัยตอนและย افت ้าหบาบันมุขละกอนเพราะชัยตอนจะไม่สามารถเปิดประตูที่ปิดได้หมายความว่าไงชัยตอนต่อให้มันจะอยากจะอาละวาดแค่ไหนก็ตามถ้าตอนกลางคืนน่ยมันอาละวาดได้ใช่ไหมครับถ้ามันเจอบ้านที่เปิดประตูนี่ยมันก็เข้ามาได้เลยซึ่งชัยตอนเข้ามาพี่น้องมันไม่ได้มาดีแน่นอนมันเป็นศัตรูที่เกลียดชังเรามากที่สุดแล้วในชีวิตของเราพี่น้องคินง่ายอีกครั้งหนึ่งชัยตอนคือสัต ตูที่เกียรติเรามากที่สุดในบรรดาคนที่เกียติเราทั้งหลายไม่มีใครเกียรติเรามากเท่าเชายตอนแล้วไอสิ่งที่มันเกียดเราขนาดเนี่ยถ้ามันมีโอกาสเข้ามาบ้านเราได้พี่น้องว่าพิธาอะไรจะเกิดขึ้นมั่งแหละบางทีอยู่ดีทะเลาะ ก, กันทะเลาะบ่อแวง่งข่าฟันกันทําร้ายร่างกายกันนึกเราว่าเราไม่มีใครรู้ว่าอะไรบ้างที่เชยตอนมันอยู่เบื้องหลังแต่แน่นอนครับมันไม่หวังดีแน่นอนเพราะนั้นถ้ายบีบอกไงข้ามมาปุ๊บปิดประตู ถ้าเป็นคนเข้ามาเดี๋ยวเขาขออนุญาตเองคือต้องขออนุญาตจะไม่ใช่ทะเลทะราเปิดเข้ามาเลยถ้าเกิดเป็นใครก็ไม่รู้นะครับผมปิดประตูแล้วก็กล่าวบิสมิลลาห์เพราะใช่ตอนจะเปิดประตูที่ปิดไม่ได้บางคนบอกอาจารย์คล้ายความเชื่อของยุโรปเลยนะเหมือนกับเขาว่าอะไรพวกแบมพ์ยเลยประมาณเนี่ยมันจะเข้าบ้านมันต้องขออนุญาตเจ้าของก่อนอันนั้นก็ว่าเราว่าล้ำครับเขาอาจจะได้มาจากองคความรู้นี้อาจจะได้มาจากไบเบิเลซึ่งไบเบิเลอย่างที่เราดูก็คือมีส่วนที่ยังคงถูกต้องอยู่แล้วก็มีส่วนที่ถูกบิดเบือน ก็วะลาห์ทั้งเลาอัลลอฮละเอาคูคีรบาคุมวสครุสมัลลาฮีและขมร์อานียะตุมวสครุสมัลลาฮี ولوأن تعرضواعليه شيئا فأتبئوا مصابيحكم ท่านอับดุลนบบีบอกต่อสิ่งที่ควรทำตอนกลางคืนนะพี่น้องว่าเอากูกิรบาคุมภานะใส่น้ำอ่ะพยายามปิดให้แน่นปิดให้แน่นถ้าพี่น้องศึกษาเรื่องฮะดีษเกี่ยวกับเรื่องโลก ภัยพิบัตินะครับโรคที่อยู่ระดับภัยพิบัติต่ออูเนี่ยนะครับผมท่านอับดุลโมฮัมหมัดสลาสลามจะบอกว่าใน1นึงปีเนะี่ยจะมีอยู่ข้ามคืนหนึ่งที่พอลล์จะให้มีภัยพิบัติไหายนะแต่มันปกคลุมไปทั่วแล้วภัยพิบัติต่า น, นี้จะตกลงไปในอาหารที่ไม่ได้ปิดถ้าน้ําที่เปิดไว้มันก็จะลงไปถึงเวลาเช้ามาบางคนเนะ่ยดื่มน้ําเลยบางทีจริงจบไปเลียตุ๊กแกไปเลียแมงสาบไปเลียไม่รู้เรื่องดื่มบ๊อบบี้เชื้อโรค ก, ก็เข้าไปเพราะนั้นคำสอนของอิสลามครับ สวยงามแล้วก็เรื่องโภชนาการหายห่วงเลยไม่ต้องมีใครมาบอกเราเราทําอยู่แล้วทํามากกว่าที่พวกเขาดูด้วยซ้างั้นไปนะดื่มน้ํานะครับเดยว่าตอนกลางคืนถ้านลีบีบอกว่าปิดให้สนิทเลยถ้าเกิดว่าเป็นน้าเป็นขวดมีฝาก็หมุนฝาให้แน่นปิดให้แน่นกล่าวบิสมิลลาด้วยหัวคอมไม่รู้อันนี้จะกุม่มเช่นเดียวกับภาชนะที่ใส่อาหารพี่น้องบางบ้านเนี่ยกินข้าวเสร็จก็ตั้งไว้โต๊ะกินข้าวนั่นะแหละตอนช้ามาลุกมาบางทีก็มา ไซส์อะกินต่อพี่น้องถ้าเรารู้ะนะพี่น้องบางทีพี่น้องเราสังเกต ด, ดูลูกมาดึกๆต่บางทีเราเห็นจริงจกวิ่งตัดหน้าบางทีเห็นแมลงสาบวิ่งไปมันไปทําอะไรกับอาหารนั้นบ้างแล้วไม่มีใครรู้พี่น้องแล้วครับสุริสลาบอกว่าไงนะครับตอนกลางคืนนะภาชนะดื่มกินแบบปิดให้แน่นเช่นเดียวกับภานะหุหาอาหารเนี่ยเราอาจจะแรปใส่ตู้เย็นหรือถ้าเกิดจะตั้งไว้บนโต๊ะก็คืออาจอย่างน้อยที่สุดก็มี มีอะไรมาคุมไว้สักหน่อยอ่ะพี่น้องป๊าก็ได้เป็นฝาชีเป็นอะไรที่มันปกปิดให้มันเรียบร้อยไม่ให้มแมลงไม่ให้สัตว์ไม่ให้อะไรมันมาได้ไปิ๋วจากมันเนี่ยต้องระวังด้วยงั้นอย่าลืมนะบ้านไหนไม่ได้ทําทําด้วยใครที่แบบบางทีเอาง่ายเข้าว่าเนี่ยอย่างน้อยกินเสร็จต้องทําให้เรียบร้อยมุซิมเราต้องเรียบร้อยครับผมกล่าวบิสมิลลานะแล้วก็ปิดภาชนะให้เรียบร้อยวะส์กุลิสมัลลอวะลาอันตะริดูอะลาฮิเชยนันเะ ท่านนบีบอกว่าเพราะท่านนบีกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราใครก็ตามที่ไม่ปิดภาชนะให้เรียบร้อยเนี่ยอาจจะเป็นโรคเป็นอะไรถ้าพี่น้องไปดูครับในเ อ, อ, เอกาสารวิชาการทางการแพทย์หลายฉบับจะพูดถึงทั้งโรคที่มาจากจิ้งจกซึ่งคนคาดไม่ถึงโรคท้องร่วงทองเสียอะไรเอ่ยที่มันจะผุมาตอนกลางคืนกับอาหารมันมาแน่นอนพี่น้องจิ้งจกกับคนเนี่ยทําร้ายคนได้มันจะทําทุกรูปแบบจิ้งจกเอ่ยมแมลงสาบเอ่ยหนูเอ่ยสารพัด กับเชื้อโรคที่เราไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรอีกเพราะฉะนั้นอาหารอย่าได้เปิดทิ้งไว้นะต่อให้ไม่ใช่กลางคืน้วพี่น้องถ้าเราจะทิ้งไว้นา น, านเนี่ยปิดให้มีชีทป้องกันอะไรที่มันจะมาหาเสศษหาเลยกับสิ่งนั้นแล้วก็ประเด็นสําคัญท่านรบีบอกว่าให้ปิดตะเกียงด้วยสมัยก่อนใช้ตะเกียงใช่ไหมครับบางทีเนะ่ยคนเติดเปิดทิ้งไว้ไงแล้วบางทีอาจจะเผลอไปเตะตะเกียงคว่ำไฟไม่บ้านอีกเพราะฉะนั้นครับเรื่อง ฟาเรื่องไฟเรื่องอะไรก็เรื่องไฟเรื่องน้ําเรื่องอะไรก็ต้องตรวจสอบให้มิดชิดก่อนนอนก็คือดูความเรียบร้อยดูหน้าต่างดูประตูดูอาหารแล้วก็ดูในเรื่องของไฟอะไรต่างๆอันไหนปิดสวิตช์ได้ก็ปิดบางแป๊บบางทีไฟลัดวงจรมันกว่าจะเปิดอันตรายขึ้นได้ก็วะละวะลมนี่คือคําสอนของอิสลามพี่น้องโภชณาการอายหารพี่น้องอันนี้คําสอนที่มีเมื่อพันสี่อกว่าปีที่แล้วปัจจุบันยังทํำไปได้ไม่ครบเลย นี่คืออิสลามครับนี่คืออิสลามเราคุยกัน2ประเด็นละประเด็นแรกคืออะไรนะประเด็นแรกคือเราคุยว่าในยามค่าคืนเนี่ยเริ่มเมื่อไหร่อันที่2ก็คืออะไรบ้างที่ต้องระวังอันที่สครับอะไรบ้างที่เราต้องหวังละ่ะอะไรบ้างที่เราต้องหวังท่านอับดุโลโมสลีฮฺได้พูดได้รื่ยมาบุคลีมา穆斯林ครับว่ายันซ la ah ิลรบบนาตบาระกะวะจาละกุลลเลยละตินอิละส์มาอิดตุนยาฮีนัตับกวาซุลสลีลิลอาคร คอย่าบูลุ่มยิ่งด้วยกันถ้าเราไม่ได้รับการส่วยใหลือจากพรงเือน สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่เหมือนมรครุกไม่เหมือนสิ่งถูกสร้างผู้ซึ่งสมบูรณ์ด้วยกับพระองค์สุบานอุมุอาลา่าเป็นที่พุ่งของทุกสรรพสิ่งท่านอบีบอกว่านายของเราเนี่ยจะลงมาในทุกค่ําคืนในช่วงหนึ่งในสามคืนสุดท้ายนี่คือสิ่งที่มุสลิมต้องหวังแล้บางคนบอกอาจารย์แล้วจะลงมายังไงเนี่ยแล้ว เ, เราอยู่ที่ไหนมากเกี่ยวกับคุณลักษณะของผัวล้อสุบานอุมุอาตามุสลิมเราเชื่อมั่นอย่างชัดเจนว่าผัวล้อนั้นมีคุณลักษณะตามที่พระองค์บอก ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สมบูรณ์ด้วยความเป็นพระเจ้าของพระองค์แล้วก็ไม่เหมือนสิ่งถูกสร้างเลยเพราะฉะนั้นสติปัญญาเล็กน้อยของเราไม่ต้องมานั่งคิดหรอกพี่น้องเพราะถ้าเรานั่งคิดเดี๋ยวเราค่อยต้องคิดต่ออ้าวแล้วลงมาหนึ่งในสามคืนนั่นหนึ่งในสามคืนมันมีตลอดเวลาเนี่ยพวกเราลงมาตลอดเลยไหมจบพี่น้องมุสลิมเรานบีบอกยังไงเชื่อตามนั้นลงยังไงเป็นเรื่องของพวกเราไม่ใช่เรื่องของเราพี่น้อง มันเป็นสิทธิ์ของผู้ล้อสุภาตาในสิางที่พระองค์จะทําในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ประเด็นก็คือเมื่อพผู้ล้อลงมาเนี่ยผู้ล้อลงมาทมําไหมนี่สําคัญกว่าคือเราไม่ต้องไปนั่งคิดว่าลงมาแปลว่าไม่ได้อยู่ข้างบนแปลวอยู่ข้างล่างหรอกเนี่ยน่สเราไม่ต้องไปคิดคุณนักศษาขอล้อจบแต่เพียงแค่นั้นแต่ประเด็นที่สําคัญก็คือลงมาแล้วเราได้อะไรละ่ะท่านบิชเช้คําว่าร็อ บ, บุญนายของเรานี่สามอย่างครับที่ผู้ล้อจะมอบให้บุคคล ซึ่งมีโอกาสตื่นมาในช่วงหนึ่งในสามคืนสุดท้ายมีอะไรบ้างพวกเราจะบอกว่าไงครับใครจะขออะไรค่าขอมาค่าจะตอบใครอยากได้อะไรบอกมาค่าจะให้ใครขอภัยโทษค่าจะยกโทษให้แกเขาสามอย่างครับอะไรนะครับใครจะขออะไรอยากได้อะไรก็ขอมาเยเดอูอยากได้อะไรก็ ข, ขอมาอยากมีอะไรบอกมาอยากได้รับกันให้ภัยโทษก็ ข, ขอมาค่าจะยกโทษให้แปลว่านี่คือช่วง ซึ่งดีที่สุดอีกหนึ่งช่วงที่ดูอา จ, จะถูกตอบ ร, รับครับเพรา ะ, ะนั้นพี่น้องที่รักถ้าเราจะลุกมาละมัดฟัชเชรี่ซูโบว์อยู่แล้วอ่ะตั้งเวลาเลยสักนิดหนึ่งบางคนไม่อยากตั้งเลยบางคนตั้งแบบว่าขอให้เข้าซูบว์อีกสัก10นาทีฉันจะได้มีเวลาหลับนานอีกหน่อยหนึ่งพลาดนะพี่น้องถ้าตั้งปลูกแบบปลูกก่อนซูโบว์พี่น้องปลูกก่อนฟัชเชอรี่ถามมาถามว่าทําไมเมื่อเราตื่นมาก่อนเวลาฟัชเชอรี่เราตื่นมาในช่วงหนึ่งใามคืนสุดท้ายช่วงที่เพราะลงมาพี่น้องขอดูอาเลยพี่น้อง อยากได้เลยขอพี่น้องรู้สึกผิดขอไปโทษมีเรื่องอะไรที่อยากร้องเรียนพวกหรอร้องเรียนไปเลยมันเป็นโอกาสที่เราจะได้รับกันทุกคนแล้วก็ทุกวันด้วยครับก็ขอฝากพี่น้องแต่ละท่านไว้ครับผมวันนี้ในส่วนของ อัลสุรออัลฟัตนะครับเราคุยกันแต่เพียงเท่านี้เราก็สุดแล้วลว่าในยามค่ำคืนเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราต้องระวังแล้วก็มีอะไรบ้างที่เราต้องหวังขอให้ด้วาจา ก, กาารราผู้ลอสสุบฮานอัลลาห์ผู้ทรงสูงสูงผู้ทรงใหญ่ผู้ทรงเกิดซึ่งเป็นที่พึ่งหนึ่งเดียวของพวกเราเนะี่ยขอให้พวกเราเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในทุกๆความเมตตาของผู้ลอสสุบฮานอัลลาห์ด้วยเถิดครับผม أ ق و ل ุล هذا و س ف ا ل ل ه ل ي و ل ك م و ر س ا ل م س ل م ي ن م ن ك ل د م ِ ا ل ر َّ س إ ن ه و ق ف و ر ر ح م ي م س ب ح ا ن ك ا ل ل ه م ب ح م د ك أ ش ه د ُ و ل ر إ ل ه ل ا ن ت أ س ف أ ا ت ي ي أ ت س ق ت ُ ب ِ ل ن َครับคุ ل เชียมาจากใหครับก็วันกิสลามอัลลอฮ์บาร์ะกาตูถ้าในผมไม่เห็นสลามขอมาบิคีนะครับก็ขอสลาพี่น้องทุกท่านนะครับว่าสลามุอะลัยกุมวาระหับุลลอฮ์ว